อให้ทุกข่านตังจิตตัางใจระดับตับตังจริงจังถึงจะรู้จะเข้าใจเรื่องของธรรมะถ้าอย่างนั้นธรรมะจะนำเข้าไปตั้งผัดจั้จิตั้ใจใจจะต้องเสิดอะไรหนึ่เหื่อยล่อนไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆวันนี้พันเซอรี่ไปมาจาก ทางไกบ้านเกิดเมืองนอนต้องผ่านไปอยู่ต่างประเทศประเทศแคนาดาซึ่งพวกเราท่านทุกคนมาเฉลิมฉลองตัวถึงยก่อนอยู่พลเมืมโลกการที่ท่านมาอยู่ประเทศไทยเราคามมุ่งหลังต่างใจใม่ได้มาลดความอดอยากขาดแคลนอะไรไม่ได้มาท่าข า, าหาะจำเล ทางด้านวัตถุทันตั้งหน้าตั้งตามายาติดอบรมจิตใจเพราะด้านวัตถุเขา่ของขอเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างท่านมีสมบูรณ์พูนสุขอยู่แล้วแต่เท่าว่าเรื่องจิตใจที่เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ไพศาลจึถพระพุทเจ้าทรงแนะนำธรรมสอน ความสุขด้านวัตถุโดยเท่าของเงินทองต่างๆจะทาจาทิดทำใจของท่านให้สุขให้พอใจติดในส่วนวัตถุเหล่านั้นท่านไม่ติดอุตสาห์เสียสละสมบาททัติสฐานบานช่องตลอดเท่าของเงินทองต่างๆออกมาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนามุ่งหน้ามุ่งตา ปฏิบัติอยากจะให้คนใดจากทุกในวัดตา่างาๆนี่เป็นความตองการสู่มาสู่เา ม, ามืองไทยเพราะประเทศไทยเราถือว่าเป็นประเทศที่มีเป็นอีกสถานหนึ่งเพราะธรระเป็นปัจจุตางเป็นของสฉพาะตัตวไม่เฉลี่ยเยีาจาร์กั น, กนได้ในทางด้านจิต ด, ด้านใจเรีนไว้แต่จะแนะนำสั่มสอนกันในวิธีปฏิบัปฏิบัติเท่านั้น เหตุนั้นท่านผู้ดีเด่นเป็นธรรมภายในจิตในใจของท่านซึ่งมีเนตตาตรุนาอยากจะให้จิตยาโนจิตหรืออุบาสกอุบาสิการะเนนบิดดีกันทางนั้นแต่สเสด็ทีอาจารย์ให้ในได้ น, นอกจากการแนะนำคำสอนในประพฤติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้และความเป็นความมีในจิตในใจเป็นของเกิดเฉพาะ ผู้ปฏิบัติไม่ได้เสียเกียรย์จากท่านผู้อื่นเหตบนั้นท่านมาวัดนี้ท่านก่อนมุ่งหน้ามุ่งตาอยากจะมาศึกษาหรืออยากจะมาปฏิบัติท่านจึงอุตามาถึงจะทุกข์ยากลำบากทางกันดารแสนกันดารอาหารซึ่งอยู่ประเทศของท่านเคยรับเคยกรัสบอย่างอาหารบ้านนอกบ้านปา่าแต่เทาวา ใจมีศรัทธาใจมีความเชื่อใจมีความเหลียมใสอุตสาหพยายามบังคับจิตคิมานะขมจุดขมใจฉันและพักอยู่ตามป่าตามเขามีุนคามมุ่งมั่นในจิตในใจของท่านมุ่งหน้ามุ่งตาอยากจะประเทฏิบัติอยากจะแสวงหาคุณธรรมอันดีเด่นเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเราถึงเป็น เจ้าของสินจึงควรอนุโมทนากับท่านในการสลามบัตมบัตรฐานาในการ ม, มีตัดชาอยากจะมาเป็นพักพวกเพื่อนผุขงของพวกเราแล้วการประเพื่อปฏิบัติทางจิตทางใจนั้นไม่ว่าอยู่แต่ฐานที่ใดหากเราตั้งจิตตั้งใจศึกษาตั้งจิตตั้งใจภาวนาตั้งจิตตั้งใจดูความรงแต่งของจิต ไม่คิดวอกวนไปสู่อารมณ์ต่างๆมีสติเจัดจ้องต่อบทธรรมซึ่งเราบริกรรมหรือบทธรรมที่เราที่นี่ท่แจเห็นว่าจะทําจิตทำใจของเราให้สงบเยือกเย็ยนได้เราตั้งสติจัดจ่อจริงจังเรื่องจิตใจของทุกท่านจะต้องแต่รับความสงบความสุข ที่เกิดขึ้นจากควานสงบเป็นความสุขที่หาดูยากที่ไม่มีขายในสถานที่ใดๆความสุขเกิดจากควานสงบเท่านั้นเป็นความสุขที่ดีเด่นที่พระพุทธเจ้าเห็นและอริยเจ้าสรรเสริญส่วนความทุกข์โดยส่วนใหญ่ก็ทุกข์ขึ้นจากใจที่รงแร่นที่ไม่ได้ทุกข์มาจากวินฟ้าอากาศสถานที่ใด เมื่อเรารู้จุดหว่าทุกขก์พอดีทุกขก์พอดีเกิดมีขึ้นจากจิจากใจตรงนี้เราจึงต้อเลือกปฏิบัติทำคําสั่งอสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใดที่มันปรุงใจของเราให้เมิ่บคิดไปในทางผิดทาจิตทําใจของเราให้เดือดร้อนเราพยายามปล่อยพยายามวางพยายามละพยายามถอนในสัญญาอารมณ์ส่วนนั้นบังคับจิตของตนมไมาให้ไปคิด ในใจนในส่วนนั้นส่วนใดที่ทนจิตของพวกเราท่านในแต่งบให้เยือกเย็นให้เกิดทามสุขอันดีเด่นเราพึงพยายามรักษาส่วนที่มันมีใ น, ในใจในวาจาในใจของเราส่วนใดที่ยังไม่มียังไม่เกิดเราก็อบรมบ่มอินทรีย์คือทำจิตทาำใจของเราให้เกิดให้มีส่วนนั้นขึ้นนี่คือการภาวนานักภาวนาข่าหาัก าดการยับยั้งสั่งตัวขาดการมีสติระวังตัวขาดปัญญาความนึกคิดติดตาม <c oughs> อย่างการจะละจะบำเพ็ญส่วนชั่วบำเพ็ญส่วนดีแล้วความดียุติเศดจะไม่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้นั้นหากบุคคลผู้ใดระวังใจไม่ไปคิดในอารมณ์ชั่วและทำตัวให้เป็นผู้ที่ตั้งมั่นใน คุณนัททำจะเป็นบทใดก็าตามที่เราบริตตามหรือเราทีดไม่ถือใจนาในคิดว่าทําส่วนนั้นจะยังจิตยังใจของพวกเราท่านใส่ไปสู่ความสงบสุขเรามันรักษามันภาวนาหมันนําระมันซ <c oughs> ักฟอจิตใจอยู่สม่เสมอจิตใจของพวกเราท่านก็จะนัาวันส <c oughs> งบสุขเข้าไปทุกที คามสงบจิตหากไม่มีวิธีหากไม่มีอุบายปฏิบัติรักษาแล้วจิตใจของพวกเราท่านก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะดีขึ้นเองเหมือนกันต่อว่าการศึกษาภายนอกถึงจะเท่าแย่ทเท่าไรก็าตามหากไม่ศึกษาการอ่านการเขียนการสำหรับตำร า, าก็ไม่มีวันที่จะอ่านได้และเขียนออกอ่านออกเขียนได้ ทันใดจิตใจของพวกเราท่านก็เหมือนกันต้องฝึกต้องอบรมด้วยจิตปัญญามันคิดพ้นคิดนึกพิจารณาเหตุผลสอนจิตสอนใจของตนสม่ำเสมอจิตใจจิตใจบื้อดึงก็จะเป็นจิตใจที่เสี่ยงผิดสบายในคอยเราเหงืเลอะหล่อนไปตามตัญญาอารมณ์ต่างๆเมื่อจิตของเราได้รับความสว่างสวัยจิตของเรา รวมรวมไปเราจะได้รับความสุขอันถึงพอใจของเราพระพุธธทธเจ้าจึงแม่สอนทุกท่านทุกคนสึ่งมีจิตมีใจอยู่ยังไม่ร่วมหายตายไปถ้าหากอุตสาหพยายาม ท, ทําจิตทําใจฟ้องตนฝึกฝนตามธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงแม่สอนทุกคนไปจะเห็นเรื่องธรรมเป็นของอัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งใดในโลก เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ดีเด่นเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ยังผู้ระดับรับฟังยงังผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้รับผลปัจจุบันทันตาเมื่อได้รับผลของธรรมเห็นผลของธรรมจากการ ป, ประพฤปฏิบัติศรัทธาความเชื่อจะมั่นฟังจิตฟังใจอยากได้อยากถึงอยากเห็นอยากเป็นเียงจิตสงบระงบะับ ดับความปรุงแต่งต่างๆเราก็ได้รับความสุขความสบายขนาดนี้หากเราพ้นไปจากวิเลวตปัญหาสงบทุกวันทุกเวลาไม่มีการติดข้องในสัญญาอารมณ์ต่างๆเราจะมีความสุขความสบายขนาดไหนพอเทียบได้พอระลึกได้เหตุนั้นแั่ชาของผู้ปฏิบัติธรรมถ้าหากไดรู้ไปเห็นไปเชื่ขึ้นจากการสงบสงัด กลายเป็นขึ้นจากการปฏิบัติของจิตของใจรวมรวมได้ผู้นั้นจึงเชื่อมั่นในคำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนเกิดอัจฉรายะจัตวาคือจัตวาที่แน่วแน่จัตวาที่มั่นคงถ <c oughs> าหาไม่เกิดไม่เป็นไม่เห็นในการทปฏิบัติท่านเชื่อแน่ในจิตในใจพอใจเชื่อผีวเผินพอถูกกัญญาอารมณ์ อายุนิดหน่อยก็จะหลงไปตามนรือเรอลอยใจตามเกิดนั้นกา ร, ป, รปฏิบัติธรรมพระพุธทธเจ้าจึงแนะนําปล้ำสอนให้พวกเราฝึกจุดอบรมใจให้เป็นสมาธิคือความหนักแน่นคํารงรวมของจิตของใจหาผู้ใดฝึกผู้ใดศึกษาผู้ใ ด, ดปฏิบัติตามคำแนะนําปล้ำสอนของพระพุธทธเจ้าไดา้ผู้นั้นก็จะเห็น ผู้น <Jub ilee> ั use, ้นก็จะเป็นผู้นั้นก็จะรู้เรื่องของธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของดีเด่นประเสชิ์ดีเด่นขนาดไหนเด็ใดพระพุทธเจ้าและเหล่าอริยสาวกทั่วไปจึงทรงเป็นไล่สอนว่าธรรมเป็นยอดของความสุขความสุขที่จะเกิดจะเป็นจะเห็นขึ้นก็เพราะการปฏิบัติหาไปปิบัตปฏิบัติจะอยู่ไปเท่าไหร่ จะให้กายหายใจมันเข้าถึงธรรมมันเป็นธรรมขึ้นมันเป็นไม่ได้เหมือนกันกับอาหารเราแหมรับไปทานจะให้อิ่นน้ำสํารานทางร่างกายของเราก็ย่อมยิ่นน้ำสํารานในได้ส่งอาศัยการรับไปทานจึงจะอิ่นขึ้นได้ส่วนการปัจิบัติทางจิตทางใจก็เหมือนกันหากพวกเราท่านเมือนเฉยเห็นว่าเรื่องธรรมะของมุกุลใจจ่าเรื่องการปฏิบัติปฏิบัติ เวลานี้ยังไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราเรายังไม่เท่าไม่แช่เรายังไม่ร่มไม่ตาชวนจะร่มจะตายเมื่อใดเราเท่าเราแก่หรือโรคภัยไข้เจ็บหรือชวนจะร่มจะตา ย, ยจึงจะตัะ้งหน้าตั้งตาประป ฏ, ปฏิบัติเวลานี้หาอยู่หากินหรือเสด็จเทินไปตามสัญญารมอืน่นเสียความนึกคิดของบุคคลชนิดนี้ตามทางธรรมะ ทางพระพุทธศ า, าสนาหรือว่าเป็นผู้ประมาทเพราะวันเวลาหรือชีวิตชีวาของพวกเราทั้งหลายไม่มีเครื่องหมายนายแต่กันหรืรู้ว่าวันใดเวลาใดจะล่มหายตายไปเศรษนั้นการประพฤติธรรมจริงสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราทุกท่านจะประพฤติปฏิบัติเกิดแข่งเวลาหาสาระหของจิตของใจหาผู้ใดประพฤติปฏิบัติได้ผู้ใดประพฤติปฏิบัติเป็นเข้นขึ้นในเรื่องของธรรม จะเป็นผู้ที่มีชีวิตเกิดมาในไร่ข่ามีสาระผู้ดใดไม่มีธรรมในจิตในใจผู้ดใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นเกิดมาแต่สบคบพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นโมฆะไม่ได้สาระประโยชน์อะไรจากชีวิตจิตใจของตนจากธรรมธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเราเข้าใจว่าธรรมะ คำสั่งสองของพระพุทธเจ้าเป็นของมีคุณค่าเป็นของเปิดเสรญเลิล อ, อยอย่างนั้นจงพากันตัางหน้าตั้งตาปฏิบัติอย่าไปขัดบันประกันพุ่งว่าตอนนั้นก่อนตอนนี้ก่อนเพราะชีวิตไม่แน่นอนเมื่อลมหายตายไปแส่เสียชีวี่เกิดมาเป็นมนุษย์จึงพยายาม เตืนสอนจิตใจของตนอยู่ทุกวันทุกเวลาในต่างหน้าตั้งตาประพฤติแต่คุณงามความดีความชั่วทั่วไปละไปถอนไปเพราะความทั่วเป็นตัวเหตุจุดลงทุกจุดทุกสึ่งเสียจิตเสีใจของเราเราไม่มีความทั่วทางเราแดกให้ศีลเราได้รักษาภาวนาเราได้กระทําบําเพ็ญถึงยังไม่เต็มยังไม่เห็น อา น, นิสงในจิตในใจว่าหม่วันใดกว่าวันหนึ่งข้างหน้าอา น, นิสง์จะเกิดขุดขึ้นจากจิตจากใจที่เราได้แต่ทำบำเพ็ญเหมือนกันกับเราปลูกผลไม้เอาไว้เราจะบังคับให้มันโตดอกออกผลในปัจจุบันทันตาย่อมไม่ได้ต่เมื่อต้นมันแฉเราบำรุงลำต้นมันดีมันก็จะกีดดอกออกผลให้เราขอแต่อย่าให้ต้นมันตายและให้ต้นมัน เติบโตงอกงามมีอาหารกินอยู่ทุกวันทุกเวลาต้นไม้ก็นับวันจ ะ, จะเจริญเติบโตและสิ่งดอกออกผลให้เราได้ส่วนการจะทําทางกายทางวาจาทางใจเมื่อเราทําทุกวันไปในด้านดีทวามดีเหล่านั้นก็จะสิดอกออกผลให้เราคือได้รับความสุขใจและเลือดนึกถึงทามชั่วที่งตัวไปทําใ่มีสิ่งตัวไปพูดไม่มีที่งตัวไปคิดไม่มี เราจะมีจิตชุ่มชื่นเบก บ, บานยินดีในชีวิตชีวาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์หากไปนี้อะไรในฝ่ายดีมีแต่ทวาชั่วได้ก็ไปทําบาปทำต่างๆทางด้านทุกบริบวาจาก็ไปพูดจิตก็ไปคิดในทางชั่วเราจะได้รับความเดือดร้อนมัวหมองระลิกนึกขึ้นการใดเวลาใดความชั่วที่เราพูดไปหรือทําไปคิดไป แตบแขเผาตัวของเราเหมือนกันกับคนอยู่ในกองไฟไม่มีวันมีเวลาจะเย็นจะเย็นใจได้ฉันใดทานทั่วไปเขาพูดใช้เจ้าหรือนักหลาบบัณฑิตท่านจึงสอนพวกเราที่มีหูหนวกตาบอดไเวน้นไห้ละอย่าไปแตะต้องอย่าไปแตะทํานี่พวกเราทุกท่านที่ได้อุตสาหพยายามมาสร้างคุณงามความดี มาบวชเป็นพระเป็นชีหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือวันใดรับทำศึกษาจากครูบาอาจารย์หรือจากําหรับํารามาทางนั้นเมื่อพวกเราทุกท่านได้หแบบันหน้าเข้าสู่คุณงามความดีแลอย่างนี้ก็จงพยายามรักษาความดีทั้งตัวไว้เหมือนเรือรักษาความเชื่มเรือจะไปตกสถานที่ใดความเชืมของมันใน่เคยล้ะละจะไปตกสถานที่ใดความเชืม ของเกลจะคงชื่อดีงามอยู่อย่างนั้นชั้นใดพวกเราจงพยายามรักษาความดีขอ่เราได้จะทำมาทางกายทางวาจาทางใจอย่าให้เสียไปอยู่ในสถานที่ใดพยายามรักษาคุณงามความดีอยู่อย่างนั้นเมื่อเราทุกท่านรักษาคุณงามความดีเอาไว้ได้ในใจิตในใจอย่างนั้นความดีส่วนนี้แหละจะเป็น <c oughs> ผลเป็นกาไรในชีวิต ที่เราเกิดขึ้นมาถ้าคัามดีอะไรไม่มีจิตตัวเราก็จะตายเป็นคนชั่วเกิดมาไม่มีคุณค่าตาระประโยชน์เหตดนั้นคัามดีที่โอกาสจะทำบำเพ็ญได้ก่อต่อเมื่อเรามีชีวิตเป็นอยู่และไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเดือดเบียนทุกวันนี้พวกเราทุกคนก็มีโรคภัยเดือดเบียนเรื่องของตาอยู่ตเสมอ ไม่เป็นโรคอันหนึ่งก่ออันหนึ่งทุกท่านทุกคนไปเหตุนั้นซึ่งไม่ควรตายใจหรือไม่ควรนอนใจในการก่อร่างสร้างคุณงามความดีในตายมันแตกคนตายไหเหรือเปล่าเมื่อตายมันแตกมันตายไปส่วนจิตใจที่เราได้แต่ทําบำเพ็ญคุณงามความดีเราจะมีความเปิดจิติในการแตกตายทําลายขันของเราเพราะ ชากทางหน้าพบทางหน้าเรามีหวังจะได้คุณงามความดีเทวีคูณขึ้นจากคุณที่เราได้ขอหลางสั่งเอาในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือผู้ตอบเลือกปฏิบัติจนจิตใจสงบสงัดจนจิตใจละถอนเรี่ยงว <c oughs> ิชาตัญหาอุปาทานได้ผู้นั้นก็จะสบายอย่างยิ่งเพราะพบชาติต่อไปของท่าน ขากระเดินออกจากจิตจากใจของท่านแล้วท่านรู้ท่านเข้าใจแต่จากชัดเจนในตัวของท่านนั้นเป็นยอดที่พระผู้ได้แก่ปรารถนาที่แนะนํำทาสอนสับพสัตว์ต่อยาจช่นไหนสัตว์ทั่วไปหมดความคล้องหมดความจิตในวิเหลือตัญหามานาัตถิสิต่างๆท่านจึงแนะนำทำสอนเพราะท่านประสบพบเห็นมาแล้ววายจิตใจชนิดนี้เป็นจิตใจที่ ดูจิตใจที่ใส่เสดจิตใจที่ดีเสดไม่มีในสถานที่ใดที่ใครจะซื้อจะถขายกันมีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็หาซื้อดูหรือหา <c oughs> เอามาประดับใจของตนไม่ได้นอกจากการตั้งหน้าตั้งตาภาวนาคือการฝึกอบรมใจอดทนต่อความทั่วไม่ไป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 พิสุสามะเนรุบาสุบาสิตาอย่างนั้นพวกเราท่านที่ได้สมมติคือว่าที่สุสามะเนรเขียนดีกว่าดีอุบาอุบาสิตากว่าดีผู้มุงหน้ามุงตามาต่อเพื่ปฏิบัติทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงระลึกนึอยู่สม่ำเสมอว่าเราเกิดมาในเสี้ยนดีคือเป็นมนุษย์พระกอบพุทธศาสนาอุตสาหแต่ทําคุณงานความดีตามกําลังความสามารถของเรา แต่เรายังไม่ถึงสู่สุติมรรคนิพพานเมือ่อใดเราจะตั้งหน้าทําความดีไปจน8่รั้งจิตใจอย่างรู้จิตใจละถอนด้วยคือตัณห า, ถ, าถึงนิพพานเมือ่อใดแต่จากในใจของเราเราจึงจะมีความเบาสบายในการประพฤติปฏิบัติของเราในเมื่อเรายังไม่ถึงเมือ่อใดก็อุตสาหพยายามเดินไปพยายามทําไป จนกระทั่งถึงที่สุดยิมมุดเมื่อใดความรู้ความเข้าใจจะเปิดเผยให้ตัวของเราผู้ปฏิบัติไปจากในจิตในใจเป็นตันทิตติโกหรือเป็นปัจจัตต่างเพราะทำทุกมดทุกบาททุกด้านไม่ว่าถ้าไปใดๆไม่ว่าส่วนตามส่วนกางหรือส่วนตังสุด จะไปจักในใจิตในใจของเราเรามีกิเลดตัณหาก็เป็นสันทิจิโก ร, รู้ว่าเราเป็นผมมู้มีกิเลสตัณหาอยู่สันทิจิโกจะเป็นลําดับลําดาไปผู้จิตจิตข้องในอะไรก็เป็นสันทิจิโกในตัวของผู้นั้นรู้ไปจกักไม่มีบุคคลผู้ใดในโลกจะรู้จะเข้าใจตัวของตัวดีกว่าตัวของเราเองเหตุนั้นการต่อไศปฏิบัติธรรมขอทุกท่านจงชากัน ตั้งหน้าต่างตาอากันกระทำบำทําเพ็ญอย่าไปอ้างการอ่านเวลาอย่าไปอ้างสถานที่การทำคุณ ง, งานความดีเป็นหน้าที่ของเราไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งจะมาแต่ทําบําเพ็ญให้ถ้าหากเราไม่แต่ทําบําเพ็ญแล้วเราก็จะเป็นคนเจ๊คนเกยคนเสียคนติดคนคล่องอยู่ในโลกตลอดไปหากเราแยแคร ประพฤตคุณงานความดีื่อไยไปจิตใจที่เคยเสยียใจกังวนกวายติดข้องในสัญญาอารมณ์ในกิเลสตัญหาต่างๆจะนับวันเบาบางหรือสลัดปัดขึ้นไปจนถึงที่สุดเมื่อใดใจของเราก่วยจะกันเป็นทันทิพิโกงหรือเป็นปัจจิตังอีกนี่ายประพฤติปฏิบัติต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติไปอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าเราพอแล้วการประพฤติปฏิบัติของเราขนาดนี้ ถ้าหากเราไม่ดีเราไม่ดีเศษเราไม่ <c oughs> เป็นผู้ดีเด่นก็เข้ามาวัดมาวานในได้คนอย่างเราถ้าหากยังจะไปตกทุกได้ยากลำบากอยู่คนที่ไม่ได้ตักน้ำทําบุญอะไรอยู่ในโลกในสงสารประทุษชั่วเหตุการาลรานต่างๆมีมากมายหายกองแต่เราหลดตัวมาอย่างนี้นับว่าเราดีเราไปเิด็จวิเศษ าาเราไปคิดเอาว่าความดีของเราเพียงพอแค่นี้แต่จิตใจของเราที่มีโลภมีโกรธมีหลงมีเหยียดิศาตัณหาอุปาทานยังทานายทายตัวไม่ได้ว่าเราจะเกิดจะตายอีกสี่ชาติสี่ภพว่าเราออกจากภบนี้ชาตินี้นจะไปเกิดเป็นอะไรเรายังไม่แน่ใจเพราะเรื่องสันที่คิโกหรือปัจจตังยังไม่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 เราเคยคิดเหตุปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับจิตกับใจเป็นของอยากเพราะใจมีหน้านะที่นึกคิดอย่างเดียวหากไปนึกคิดทางชั่วความดีที่มีอยู่ในตัวกขคอยส่งไปหมดไปหากเราเน้นคิดทางดีทางชั่วก็จะ ม, มีโอกาสขึ้นมาคลองใจของเราได้แผดพิงเสียบอย่างจิตใจเหมือนเต๊ะอี้ที่นั่งคนเดียวหากคนหนึ่งไปนั่ง คนที่สองโคตรลงรอยืนอยู่คอยอยู่หากคนนั่นลงไปคนนี้คินไปนั่งคนที่นั่งอยู่ก่อนก็ไม่มีโอกาสเวลาจะนั่งได้เพราะเก้าอี้เฉพาะที่นั่งของคนเดียวทันใดจิตใจของพวกเราท่านถ้าหากไปคิดชั่วคามดีก็ไม่มีโอกาสเข้ามาสื่จิตสู่ใจของพวกเราได้ถ้าหากไปคิดในทางที่ดีทชั่วโคตรตกออกไปสึ่ง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 จะไปทําจิตเดือดใจไปอีกเลยเกิดเป็นความทั่วทั้งสามทวารความทั่วทางกายทางวาจาทางใจตัวของเราของเราไม่มีประโยชน์สาระอะไรเพราะทั่วทั้งหมดแล้วเกลียด ก, ก็เป็นของไม่ดีกับพี่ก็ไม่ดีแล้วก็แข่นก็ไม่ดีจะไปทําอะไรไม่ได้ทางนั้นเพราะไม้ต้นนั้นมัเป็นสาระประโยชน์เียด ก, ก็เป็นจิต ก็ที่ต่อเป็นคิดแกนก็เป็นคิดจิตใจของเราเมื่อิดในทางดีเมื่อทำดีมีเพียงพอในจิตในใจผลดี่สุดก็รุ่วไหลออกมาทางปากปากก็เป็นปากดีพูดชื่นมีศีลมีธรรมพูดชื่นมีผู้เชื่อฟังพูดชื่นมีสาระประโยชน์ในหลวกหูเขากายของเราก่ขอเป็นพฤติดีแต่ ท, ทาดีไปตามจิต ผู้บังคับบัญชาเหตุนั้นคนเราจะมองดูได้ถึงจะไม่มีลายอย่างเสือก่อตามมองดูได้จากการทําการพูดของเขาข้อจิตของบุคคลผู้ใดปรงไปในส่วนใดมากก็อมอามอยากจะออกปากพูดขึ้นในเรื่องที่เขาเคยคิดเคยปรุงใจของเขาก็จะอยากจะไปทาอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของลายของคน มองเห็น ง, ง่ายๆถ้าหาคนผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาสร้งคุณงามความดีออกปกากกล้ามแจากจะปากไปในทางหยุดทางดีตายของเขาก็มามแย่ไปทำแบบนั้นในทางที่ดีอย่างนั้นจึงพอมองเห็น ง, ง่ายๆเรื่องของมนุษย์เรามักเป็นแบบนั้นโดยส่วนใหญ่เราทุกวันนี้เป็นอย่างไร ความดีควาชั่วแล้วได้มาสั่งตวงดูไหมอะไรมันมากอะไรมันน้อยกว่ากันหากอะไรมันมากอันนั้นแหละจะเป็นเรื่องที่เราได้รับก่อนหากเราล่มหาตายไปความดีมากความดีกวยจะซักพาใปปลวกเราไปเกิดในสถานที่ดีหากความชั่วมากเราความชั่วกว่าจุดจุดลาดปลวของปวกเราลงไปในทางต่ําทางเสียหากเรา พยายามตรวจจิดดูใจของเรามันแนะสอนอยู่อย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านก่อนนับวันนับเวลาที่จะหายหน้าหายตาไปจากครามทั่ว์ประพริบตัวให้ดีเด่นขึ้นไปเป็นลำดับเรื่นั้นเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ระดับรับฟังทมคำสั่งสอนอย่างที่อธิบายมานี้จงนาไปทีนิดที่จะนาดูหากทำสอน ขีดสอนไปนี้เป็นทางที่ดีที่ชอบขอจงพากันต่างหน้าต่างตาแต่พฤ่ปฏิบัติตามและในอวสานการอธิบายธรรมนี้ขอคุณพระศรีรัตนใาจราิจงคุ้มครองพวกขันทั้งหลายให้มีความสุขปายสุดใจหลาถนะจิงใดขอสิ่งนั้นจรงสำเร็จตามความมุ่งมากหลาถนะทุกประการเถอดเวน